ส่วนการดำเนินของทางปฏิบัติธรรมนี้เป็นการดำเนินทางของความทุกต้นและสุขปลายตอนต้นจะทุกมากในการปฏิบัติเพราะจะต้องตัดสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบตัดการท่องเที่ยวตัดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่ว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 เราก็จะสามารถให้ใจนี้มีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยมปราศจากความทุกข์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราได้รับความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจนี้แล้วมันก็จะอยู่อย่างถาวร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 พอเวลาที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขให้เสดก็มีแต่ความทุกข์ให้เสพนี่คือความสุขต้นและทุกข์ปลายถ้าเราใช้ลาบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นรสผธพะมาเป็นเครื่องมือผลิตความสุขให้กับเรา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 อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ท่านก็มีอนาคตตาชาติอยู่ไม่เกินเกียชาติเป็นอย่างมากถ้าเกิดท่านตายไปก่อนที่จะได้บรรลุธรรมที่สูงกว่าท่านก็ยังกลับมาเกิดได้กลับมาเกิดแล้วก็กลับมาบาเพ็ญต่อได้แล้วที่จะสามารถบรรลุธรรมขั้น ที่สูงขึ้นไปตามลาดับได้ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะใจที่ได้ทำได้ความสุขนี้ไม่ได้ศูนไม่ได้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้ศูนเหมือนกับราบยดสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ได้มาเวลาที่ร่างกายตายไป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 ที่เคยมีอยู่ได้แต่ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเวลากลับมาเกิดใหม่นี้ก็จะไม่มีอะไรรอรับจะกลับมาก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แล้วจะได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็ไม่มีอะไรที่จะมารับรองได้ อย่างนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงระเริงกับการใช้ลาบยศสารเสริญใช้รูปเสียงกลภภิ่นรดโผฏฐภะเป็นเครื่องมือในการผลิตความสุขต่างๆให้กับเราเพราะวันเวลาผ่านไปความสามารถในการที่จะใช้ร่างกายของเราหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปรทพันนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากราบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปรทพัะได้เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เป็นอมพึกเป็นอมพารเวลานั้นก็มีแต่ความทุกข์ใจ เพราะว่าความอยากที่จะเสบลูกเสียงกลิ่นรสเหมือนที่เคยเสพนี้ยังไม่ตายไปยังมีอยู่ยังไม่ได้เป็นอมพาสไปกับร่างกายร่างกายเป็นอมพาสแต่ตันหาความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลสะพานี้มันไม่ได้เป็นอมพาสไปกับร่างกายมันจึงเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้า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 ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกันขึ้นมาเป็นจานวนมากท่านเหล่านี้ก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราเหมือนท่านที่เป็นอยู่ในขณะนี้ท่านก็มีทุกเพศทุกวหวมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาดผู้ครองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชาย มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไม่จำกัดเพศจากัดวัยเพราะการทำลายกิเลสตัณหานี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นบรรพชิตหรือเป็นฆราวาสเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนแต่อยู่ที่การปฏิบัติธรรมถ้ามีการปฏิบัติธรรมก็จะมีการทำลาย การหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นหญิงก็ปฏิบัติทําได้เป็นชายก็ปฏิบัติทําได้เป็นนักบวชก็ปฏิบัติทําได้เป็นคารวะญาติโยมก็ปฏิบัติทําได้ดังนั้นจึงไม่มีข้ออ้างข้ออะไรทั้งนั้นที่จะมาอ้างว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้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 อยู่กับความยากลําบากได้อยู่กับการอดอยากขาดแคลนได้อดมือ้อเกินมืออดวันเกินวันได้อดทีละสามวันอดทีละห้าวันก็อดได้ถ้าใจมี้ทำแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในใจนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจะทําให้สามารถอยู่กับความ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 เวลาเราท้อแท้ท่านบอกให้นึกถึงพระบรมมศาสดานึกถึงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่เป็นราชโอรสที่มีความสุขทางโลกระดับสูงสุดที่ได้สละความสุขในระดับสูงสุดนี่เราไปอยู่กับสภาพของขอทานอยู่แบบ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 สมัยนี้มีอยู่มียามีแพทย์มีพยาบาลมีโรงพยาบาลมีเครื่องมืออันทันสมัยก็ <c oughs> อยู่ได้เท่าๆกันหรือบางทีอยู่ได้น้อยกว่าก็มีเพราะกินดีเกินไปอยู่ดีเกินไปกินของที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายแทนที่จะมีอายุยืนยาวนานกับมีอายุสั้น เพราะไม่รู้จักการบริโภคให้ให้ถูกสุขลักษณะนะบริโภคตามตันหาความอยากก็เลยตายเพราะปากนะตายเพราะตันหาความอยากดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปกังวลไปกลัวกับความทุกข์ยากลำบากถ้าขนาดพระราชโอรสท่านสุขสบายยิ่งกวา่าเรา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 ความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถออกปฏิบัติได้การปฏิบัติเราก็รู้วิธีปฏิบัติกันแล้วว่าต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก ต้องสำรวมอินรีตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีลแปศีลแปดนี้ก็คือเป็นการเจริญอินรีสังสังวร น, นี่เองคือไม่หาความสุขจากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกลิ้นกายละเวน้นการรับประทานอาหารก็รับประทานเพื่อร่างกาย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 การสร้างสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปหากุญแจรถยนต์นี่ถ้าเราได้สติเมื่อไหร่เราก็จะได้กุญแจรถยนต์เมื่อ น, นั้นพอได้กุญแจรถยนต์เราก็เข้าไปนั่งในรถยนต์ได้สตาร์ทรถยนต์ได้ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ถ้าเราได้สติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้แล้วออกจากสมาธิมาเราก็สามารถ จเจริญปัญญาได้ถ้าเราจเจริญปัญญาได้เราก็จะตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปสร้างความสุขต่างๆในระดับต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้จนถึงระดับสูงสุดได้เกิดจากการจเจริญสติในเบื้องต้น การเริญนสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนในชั้นปถมหรืออนุบาลต้องฝึกเรียนกอไก่ขอไข่เรียนเอบซเรียนนับหนึ่งสองสามไปก่อนพอเราเรียนได้แล้วท่องได้แล้วกอไก่ขอไข่เอบีซีหนึ่งสองสามได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้สามารถที่จะบวกลบคูณหารได้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 คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเสื่อมการดับของสิ่งทั้งหลายมองไม่เห็นอ น, นัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งไปห้ามได้ถ้าเราเห็นอ น, นิจจังเห็นอ น, นัตตาเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองพอเรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้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 เราจะสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องเพราะจะไม่มีตัณหากิเลสมาคอยลากให้เราไปคิดเรื่องอื่นนั่นเองแต่ถ้าใจเราไม่สงบกิเลตัณหานี้มีกําลังมากกว่าธรรมจะไม่สามารถดึงใจให้มาคิดในทางธรรมได้ในทางปัญญาได้จะถูกกิเลสดึงไปคิดในทางตัณหาความอยากได้ <c oughs> ก็เลยทําให้ลืมเรื่องขออนิจจังอนัตตาไป พอไปเจอความจริงเข้าก็เกิดความอยากทันทีเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติทำกันให้ได้ถ้าเราอยากจะได้ปัญญาอยากอยากจะได้ละในตัดความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรา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 ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวหาปุราปาริปุเรนติสาขาลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสาเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาละโสยะถามณีโชติ ระโสยทาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินั ส, สตุมาเตภวะตวันตรยโยสุขีทีคาโยโกภาอภิวาทานาสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารธรร ม, มาวะาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง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 ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่สักแต่ว่ารู้เหลืออยู่อย่างเดียวแต่พอออกจากอัปปนาสมาธิมาเริ่มมีสัญญาสังขารวิญญาณทำงานก็ปรากฏมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย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 พ่าอากาศมันเย็นสบายไม่ร้อนท่านจะเดินทุ่งตอนกลางคืนแล้วฉันใช้โคมไฟที่จุดด้วยเทียนเดินไปในป่าแล้วก็ภาวนาไปจเจรินพุโทโธพุโทโธไปจะเินสติไปในลังเล่าทางเดินแล้ววันหนึ่งท่านก็เดินไปจ้าเอกับเสือโคร่งตัวหนึ่งพอทอตาเห็นเสือโคร่งจิตรู้ว่าเป็นเสือโคอร่งปั๊บ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 แต่ถ้าภาวนาไปแล้วพอมันไม่ไม่ไม่ฟุ้งแล้วก็ควรจะหยุดเอามันอย่างใดอย่างหนึ่งไปเอาพุทธโธก็พุทธโธไปอารมณ์ก็อารมณ์ไปเลยจะดีกว่าเพราฉะนั้นมันจะไม่รวมเพราะมันยังเป็นสองอยู่ยังเป็นพุทธเข้าโทออกอยู่เอามันอย่างเดียวเอถ้าอารมณ์ก็ดูอรมไปเฉยๆไม่ต้องพุทธโธแต่ถ้ามันยังกิ่งไปกิ่งมายังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทธโธช่วยะ ก็ถ้าใช้พุโทโธบางทีก็ไม่ต้องใช้ลมเอาอยู่กับพุโทโธไปเลยหรือจะใช้สวดมนต์ไปก็ได้ท่องคาถาอาคมอะไรต่างๆที่เรานึกได้ก็ท่องไปก็ได้เอให้มันอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงลูกถึงสามีภรรยาคิดถึงเรื่องงานเรื่องการร้อยแปดให้อยู่กับปัจจุบันเอเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้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 เพราะเกิดจากความอยากอันนี้ก็จะเป็นโสดาได้ต้องเห็นอริยสัจเห็นว่าใจเราทุกข์เพราะความอยากไม่ตายแต่ถ้าเรายอมตายเพราะเราเร Ladies, ูา้ ว, ว่ามันยังไงก็ต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ฝืนความจริงไม่ไปอยากตายไม่อยากไม่ตายพอเราละความไม่อยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความตายแต่ถ้าเรายอมตายเพราะว่าเรา จนตรอกไม่มีทางหนีอันนี้ข่าวหน้าถ้ามันมีช่องหนีมันก็อาจจะหนีต่อมันจะไม่ยอมตายอยู่ดีฉะั้นต้องยอมตายเพราะเห็นว่าการไม่ยอมตายนี้เป็นความทุกข์เกิดจากความอยากอยู่ได้อย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเห็นบรรลุธรรมเห็นอ น, นิจจังเห็นว่าร่างกายนี้จะอยากอยากไม่อยากอย่างไรมันก็ต้องตายถ้าอยากไม่ตายมันก็จะทุกข์ไปเปล่า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 ถ้าเราจเจริญสติต่อไปเราก็จะเห็นเหมือนที่เราเคยเห็นถ้าเราหยุดเจริญสติเมื่อไหร่มัน ille, ก็จะไม่เห็นดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตในทุกรูปแบบนี้เราก็ต้องเจริญสติพอเราจเจริญสติแล้วจิตก็จะเห็นตัวจิตเองถ้าเราไม่จเจริญสติจิตมันก็จะไปอยู่กับเรื่องที่มันคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้มันก็จะไม่เห็นจิตไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิต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 แต่ถ้าแก้ที่ใจได้ว่าที่เราวุ่นวายใจก็เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเพราะเราก็สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปมองให้เขาเห็นว่าเป็นเหมือนลมที่พัดอยู่อย่างเงี้ยลมมันอยากจะพัดมันก็พัดมันอยากจะหยุดก็หยุดเราเคยไปสั่งมันไหมเคยไปอยากให้มันพัดหรือไม่พันะนนไดไหทันดเราก็ต้องมองคนเรื่องสิ่งต่างๆเหมือนกับลมพัด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 นี่แกจะครบสิบปีแล้วนเนี่ยเลืกสองสองสองครั้งเดินเมษากเดินพฤษภานี้ก็ัมันถ้าปฏิบัติควบกู้ไปกับการศึกษาป่านี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเลยขอบเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นั่นอ้าวเชิญ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 เขาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมไม่ได้นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อย่างเนี้ยเราจะไม่เสียดายชาติเกิดหรือที่เราไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาศีลอย่างเนี้ยแต่พอผมพูดอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่เริ่มกลัวแล้วจะรู้จักปฏิบัติรักษาศีลห้าแล้วก็มีหลายคนที่อยากมาฟังทรมเทศนาจากพระอาจารย์ด้วยแต่เพียงแต่วันนี้เขาติดทุระเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาอย่างเนี้ย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 น่าจะเห็นเทวดานางฟ้าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้กับผมก็เลยบอกว่ามันก็เป็นเฉพาะนิมิตแต่มันก็เป็นเฉพาะของผมเองแต่ก็พระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปหลงอย่าไปติดแต่อย่างอื่นถ้าว่าอยากภาวนาอยากปฏิบัติทำจริงๆก็ขอให้รักษาสินห้าให้ได้ก่อนแล้วเขาถามผมว่าเวลาวันพระผมรักษาสินอะไรบ้างผมก็บอกว่าผมก็รักษาสินอุโบสถสินแปดเขาถามว่าทําไมต้อง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 จะเป็นการอุตริโออวดหรือเปล่าเขาลับไม่หลอกก็เราพูดไปตามความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเรายังอาจจะไม่ได้อธิบายให้เขาได้เห็นอย่างละเอียดชัดเจนเราก็พูดไปตามเท่าที่เรารู้สิ่งไหนที่เราไม่รู้เราอย่าไปพูดจะดีกว่าถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นถึงจะเรียกว่าเป็นการอุตริ เราพูดในสิ่งที่เรารู้นี่ไม่ถือว่าเป็นการอุตริครับผมมีทางนี้ใช่ไหมทางทางนี้ค่ะคือปกติหนูก็จะบริการเป็นลักษณะพทดโทอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้มันจะมีบางช่วงที่จิตมันจะ อมันจะขุนขึ้มานิดนึงมันจะฟูงมากกว่าปกติหนูก็อาจจะเปลี่ยนคําบริกรรมบ้างอาจจะเป็นลักษณะสวดมนบ้างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอาจจะเริ่มมีตัวความถูกเข้ามาที่คําบริกรรมพุโทโธหรือการสวดมนมันเอาไม่อยู่หรือก็จะต้องใช้การพิจา ร, รณาไปบ้างอะค่ะส่วนมาก ม, มันก็จะทําให้หนูนำพอจะสงบไอ้ตัวโครงสรางตัวแรงๆตัวนี้ได้เป็นชั่วคราวอะค่ะ ทีนี้การที่หนูมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลักษณะมีค่อนข้างค่อนข้างถี่อะค่ะตรงนี้นี่มันจะมีผลทาให้หนูไม่สงบด้วยหรือเปล่าคะด้วยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็าดูผลว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบก็ใช้ได้ถ้ามันไม่สงบก็<อ>ก็ต้องพยายามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกับการกินยาเนี่ย ก็ต้องหายาที่มันถูกกับโรคถ้ายาถูกกับโรคโรค ก, ก็หายถ้ายาไม่ถูกก็ต้องหายาไปเรื่อยๆคือส่วนมากเวลาที่จะได้ผลที่สุดอะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะที่มีตัวถูกเข้ามาแล้วหนูก็พยายามคิดศรลยนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วมันที่ได้ผลที่สุดเป็นลนนักษณะนี้แต่ว่าอืก็ได้ผลก็ดีก็ใช้มันไป ก็ใช้อย่างนี้ไปใช้ปัญญาเดินไปเรียกปัญญาอารมณ์สมาธิพอไม่มีความทุกข์ล้วก็พิจารณาร่างกายไปดูพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณ า, าการสามสิบสองดูอาการต่างๆดูแต่ละอาการก็ได้ดูผมขนและฟันหนังเนื้อเองก็ได้เราก็วิเคราะห์ถามตัวเองว่าส่วนไหนบ้างที่เป็นตัวเราผมนี่เป็นเราหรือเปล่าขนนี่เป็นเราหรือเปล่าเล็บนี่เป็นเราหรือเปล่าฟัน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 ถ้าเทออกมามีแต่กระดาษที่ชู้มีแต่ขยะก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีเราไปคิดมันเองเราไปว่ามันเองว่ากุญแจรเราเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้แต่ในเราก็ไปคิดว่าละ เ, เราเก็บตัวเราไว้ที่ร่างกายอันนี้เราคิดว่าร่างกายเรานี้อยู่ในคือตัวเราเราอยู่ในร่างกายอันนี้เราก็ต้องเทร่างกายนี้ออกมาเลยแยกออกมาให้ทุก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 ความคิดมันพุ่งเข้ามาไหลตัวมากความพร้อมกันนะคะเหมือนแบบมันจะไม่ยอมให้เราอยู่เฉยเฉยมันจะให้เราสว ด, ดมนต์ไ ป, <ค>ไปก็สวดมนต์ไปพี่ารณต่อไปนะมันไม่ยอมอยู่เฉยเฉยก็พิจารณาทำต่อไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหยุดนะครัแล้วน่ากล่าวขอบพระคุณค่ะกลาวแล้วนยะคิดว่าพอสมควรแต่เวลา